ทุกคนที่เข้ามาอยู่ในวัดวาอารามแล้วก็ให้พึงนึกว่าเรามาเพื่อฝึกตนไม่ใช่ว่ามาแสวงหาความถูกอย่างอื่นมันไม่มีมันไม่มีสิ่งที่ทำให้สนุกสนาน ร, รื่นเริงบันเทึงอะไร ในเสนาธนาป่าอันนี้มีสำหรับต้อนรับผู้ที่แสวงหาความสงบทางกายทางวจ้าทางจิตใจโดยตรงอย่างนั้นและความเป็นอยู่ก็เรียกว่าเรากบอาศัยบุญวัฒนาบารมีของตนของตนนั่นแหละ เมื่อบุญวัสนามีมันก็มีผู้สนับสนุนมีผู้บำรุงพอเป็นอยู่ไปได้อย่างที่เราเป็นอยู่กันทุกวันนี้แหละโดยที่อาศัยเราปฏิบัติพร้อมเพียงกันมีศีลบริสุทธ์ตั้งอยู่ในธรรมด้วยดีต่างคนต่างก็ฝึ ก, กจิตใจของตนให้มั่นอยู่ในศีล มั่นอยู่ในธรรมด้วยอำนาจแห่งคุณสินคุณธรรมเหล่านี้แหละหารนบันดาลให้มีผู้ศรัทธามาธนุบำรุงแม้จะอยู่ไกลบ้านไกลช่องมันก็มีผู้สนใจก็เนื่องจากเขาหอมกลิ่นศีลนั่นเองเนี่ยศีรคันโทอนุตโร กลิ่นของสินนี่หอมยิ่งกว่ากลิ่นอนไดทั้งหมดในโลกนี้ยอมหอมหวนทวนลมไปได้แต่กลิ่นดอกไม้คิสนากระลมพักอย่างอื่นมันหอ ม, หอมทวนลมไปไม่ได้เลยมันส่งกลิ่นหอมไปตามลมเท่านั้นเองเนี่ยกลิ่นสินนี่หอมไปทั่วถึงมนุษย์และเทวดาอินพรม ก่อนิยมนับถือดังที่เราจะเห็นได้ตากขั้งพุทธเจ้าพระองค์มีศีลธรรมอันสูงยิ่งตลอดถึงพระสาวกทั้งหลายก็ทรงปฏิบัติจนหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาได้เป็นพระอรหัต์อรหันต์คมมากมายทางอุบาสกวาสิกา ก็เป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมในบรรลุธรรมของจริงในขั้นต้นก็มีอยู่มากเป็นผู้พร้อมเพียงกันทะนุบำรุงวัดวาศาสนาดังนั้นเทวดาอินพรมจึงนิยมปรากฏในตำราว่าได้ลงมาเฝ้าพระศาสด า, าอยู่เสมอเทวดาอินพรมอย่างนี้ แต่สำหรับยุคนี้สมัยนี้คนมีสินรรมมีน้อยคนทุสินมีมากเพราะฉะนั้นจึงมีกลิ่นเหม็นหลายเทวุาเทวดาเนี่ยลงมาจากสวรรค์แล้วก็ยังอยู่พันโยต์จะถึงเมืองมนุษย์ถูกกลิ่นเหม็นของมนุษย์แล้วก็ย้อนกลับไม่ลงมาแล้วอันนี้ไม่ใช่กลิ่นตัวหรอก กลิ่นความชั่วมันเหม็นขึ้นไปถึงเทวดาอินพรมดังนั้นเทวดาอินพรมจึงไม่ได้มากราบมาไหว้จึงไม่ได้มาช่วยเหลือมนุษย์แต่อย่างใดเทวดาอินพรมช่วยตั้งแต่คนผู้มีบุญกุศลมากเป็นผู้มีศีลมีธรรม แต่ว่าเกิดอุปสรรคขัดข้องบางสิ่งบางอย่างเช่นนี้นะแล้วอธิษฐานถึงบุญถึงกุศลถึงความดีที่ตนกระทามาบุญกุศลความดีนั้นหากมันมากพอมันก็จะไปโดนจิตโดนใจของเทวบุตรเทวดาให้นึกรู้ได้ว่าอ๋อคนพูนั้นเป็นคนมีบุญกำลัง มีอุปสรรคขัดข้องอยู่จาเป็นเราจะต้องลงไปช่วยเทวดาก็จึงได้ลงมาช่วยเป็นเช่นนั้นตามตำราท่านกล่าวไว้เทวดาช่วยแต่คนมีบุญหมายเข้ามาอย่างนั้นเนี่ยคนไม่มีบุญเทวดามองไม่เห็นดังนั้นตนไม่มีบุญเมื่อมีอุปสรรคอะไรล้วก็เรียกร้องหาแต่เทวดาอินพรม ให้มาช่วยแต่ตนเราทำความชั่วยอยู่ไม่ทําความดีอะไรอย่างนี้อะเทวดาจะมองเห็นได้ยังไงอ่ะนั่นเนี่ยเมื่ออ่อนวอนเทวดาไม่มาช่วยแล้วก็ไปโทษเทวดาหาว่าเทวดานั้นลำเอียงออย่างโน้อนอย่างนี้เมือนอย่างพระเทระ องค์อาราหันต์องหนึ่งท่านชอบอยู่แต่ในป่าและชอบอยู่คนเดียวพอถึงวันแปดค่ำสิห้าค่ำมาท่านขึ้นนั่งบนธรรมะแล้วท่านก็แสดงธรรมเพียงสองบาทประคาถาหนึ่งเพราะว่าท่านเป็นผู้มีความรู้ธรรมนั้นน้อย แต่ว่าท่านสามารถละกิเลสให้หมดสิ้นไปได้จากกิจใจท่านกล่าวคาถาสองบาทนั้นจบลงเทวดาลุคเทวดาที่อยู่ในป่านั้นก็กล่าวอนโมทนาสาธุการแซ่ซ้องดังไปทั่วป่าอยู่มาพระธรรมกะทึกลูปหนึ่งกับลูกศิษ์เดินทุดงไปกัาไปพักอยู่กับ พระเถระองค์นั้นพอถึงเวลาข้ามาก็พระเถระองค์นั้นก็นิมนต์ให้พระท ร, รมกระเถกที่มาใหม่ล้วนะ่ะขึ้นเทพท่านก็ขึ้นบนธรร ม, มาทแล้วก็สแสดงธรรมไปเหมือนกับน้ำไหลไฟไหม้พอจบลงแล้วเทวดาต้นเดียวก็ไม่อนาโมธนาสาธุเลย มรรดาลูกติษย์ของพระธรรมกะถึกองค์นั้นก็กล่าวโทษเทวดาว่าเทวดาลำเอียงเป็นนับถือตั้งแต่พระผู้อยู่ในถิ่นนี้มา น, นานแล้วก็ไม่มีความรู้อะไรส่วนอาจารย์ของตนมีความรู้แตกฐานในพระไตรปิฎกทำไมล่ะจึงไม่สาธุ ก, กัน ในเมื่ออาจารย์ขอ ง, งตนแสดงธรรมจบลงเรื่องนี้มีผู้ไปทูลพระาศาสดาเพราะองค์จึงได้ทรงตรัสว่าบุคคลผู้มีความรู้มากแต่ฐานในอันดนในธรรมมากแต่ไม่สามารถจะทำอาสวะกิเลสให้สิ้นไปได้เราถสาคตหาว่าผู้กล่าวว่าผู้นั้น จะเป็นผู้ทรงทรรมหาไม่ได้ผู้ใดเป็นผู้ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบทมอาศวะกิเลใสให้สิ้นไปได้แม้จะกล่าวคาถาเพียงบาทก็คาถาหนึ่งหรือสองบาทก็คาถามันก็มีประโยชน์ออแก่ผู้ฟังเพราะท่านกล่าวออกมาด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์จริงๆ ดังนั้นเทวดาจึงช่องสาธุการเราสถาคตจึงกล่าวว่าผู้นั้นเป็นผู้ทรงธรรมพระองค์เจ้าทรงแสดงไว้อย่างนี้ก็มีความหมายว่าทั้งนี้พระองค์ไม่ได้หมายว่าไม่ต้องเรียนอะไรตั้งหน้าแต่ปฏิบัติอย่างเดียวให้สําเร็จไปเท่านั้นหมายความว่าถ้าผู้ทรงธรรมด้วยทรงวินัยด้วย แล้วปฏิบัติไม่ท้อไม่ถอยจนทาอาสวะให้สิ้นไปได้จากกิจใจเช่นนี้พระองค์ก็ยิ่งสรรเสริญมากกาเป็นพระหูสูตรเป็นผู้ทรงธรรมทรงวินยัยด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆอย่างนี้ส่วนว่าผู้ที่มีความรู้น้อยแต่ว่ามีความภาคเพียน พยายามลกิเลสให้หมดไปสิ้นไปได้อันนั้นพระองค์เจ้าก็ทรงสรรเสริญเหมือนกันะอทรงสรรเสริญว่าผู้ทรงธรรมเหมือนกันแต่ว่าผู้ทรงธรรมไปน้อยแต่น้อยนั่นแหละแต่มันมีคุณค่ามากอืสามารถทําอาสวักิเลสให้หมดสิ้นไปได้เหมือนอย่างยุก ย, ยาแก้โรคภัยต่างๆอย่างนี้เนี่ย ถ้าแมียยาหลายขนาดหากว่าให้คนป่วยรับประทานแล้วโรคภัยไม่หายเขาก็หาว่ายานั้นไม่มีประโยชน์ต่อคนไข้ถ้ายาเพียงขนาดเดียวอย่างนี้เอาให้คนไข่รับประทานลงไปโรคภัยเนี่ยมันหายได้เช่นนี้เขาก็ยกย่องว่ายานั้นดียาขนาดนั้นดีอย่างนี้แหละ เพราะฉะนั้นเนะนี่ยพุทธศาสนกชนทั้งหลายก็ขอให้เข้าใจความหมายแห่งคำสอนของพระเจ้าว่าการเรียนรู้หรือว่าจำธรรมวินัยคำสอนของพระเจ้านี่ได้มากหรือได้น้อยมันก็ขึ้นอยู่กับวาสนาของแต่ละบุคคลจะไปเกณฑ์ให้ทรงจำธรรมวินัย ให้ได้มากมายเหมือนกันทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้อย่างนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าสนามบารมีที่แต่ละบุคคลไดอ้อบรมสั่งสมมาตั้งแต่อดีตอดีตชาติถนหลังบางท่านบางคนก็ได้สนใจในการเรียนการจำมามากในอดีตถนหลังโ น, นอย่างนี้นะ แล้วมันก็เป็นอุปนิสัยปจัจจัยติดตามมาในชาตินี้อท่านเล่าเรียนศึกษาอะไรก็รูงคล่องแคล่วดีจดจําได้ง่ายดีที่แท้แล้วเพื่อนได้ฝึกตนมาแต่ชาติก่อนนุ่นขอแรงอเอาทุกเป็นทุนในการเรียนการท่องการจํามามากแล้วเหตุนั้นมาในชาติปัจจุบันผลแห่งการเรียนการศึกษามาแต่ก่อนนั่นมัน จึงมาโดนบันดาลให้ท่านคล่องแคล่วในการเรียนการจำการท่องเป็นอย่างนั้นดังนั้นพวกเราที่ได้เกิดมาในภายหลังพระพุทธเจ้าดับขันเข้าถูกพระนิพพานไปแล้วท่านก็ว่าคนเกิดมาในภายหลังนี่มีวัสนาบา ร, รมีน้อย ไม่สามารถที่จะทรงจำธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ได้มากเหมือนอย่างคนที่มีวาสนาตั้งแต่ขั้งพุทธการดังนั้นนักกาชอาจารย์จึงได้จารึกคำสอนของพระพุทธเจ้าลงใส่ใบลานหรือว่าใส่กระดาษไว้ให้คุณระบุตที่เกิดมาในภายหลังได้ศึกษาได้เล่าเรียน ก็เมื่อต่างคนต่างรู้ว่าตนไม่ได้ศึกษาเราเรียนมาแต่ก่อนมากก็แสดงว่าไอความฝึกขนตนในทางด้านศึกษาเราเรียนนี่มาแต่ก่อนมันน้อยไปเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราก็ขยันเข้าไปในชาตินี้นะตั้งอกตั้งใจท่องเรียนจําเอาให้ได้เมื่อเราเพียรอยู่ไม่ถอย อจำได้วันเล็กวันน้อยหลายวันเข้ามันก็หลายมันก็มากขึ้นในตัวอย่าไปเข้าใจว่าเราจะพยายามท่องจำมาให้ได้มากๆถ้าท่องไปแล้วมันจำไม่ได้ก็ท้อใจเสียงเดี๋ยวไม่ศึกษาเราเรียนต่อไปอย่างนี้แนละ้วมันึกว่าไม่ถูกต้องนะคิดผิดไปให้นึกถึงพวกจาพวกปลวก ไอ้ตัวอ่อนๆเท่านั้นแหละเมื่อมันสาวขีกันมันไม่เก่งแย่งแข่งดีกันต่างตัวต่างก็ไปขนเอาดินอ่พร้อมทั้งน้ำลายทำให้ดินชุ่มแล้วก็เอามาก่อเป็นรังเข้าไปทำเป็นโพรงที่อยู่อาศัยทำเป็นโพรงสำหรับไข่ ก่อมากขึ้นมากขึ้นสูงจนได้น้ำว่าจอมปลวกอย่างนี้ได้ชื่อว่าปลวกแต่มันมีความเพียรมากทีเดียวใครพากันนึกถึงปลวกมันเป็นสัตว์ในฉันแตแท้มันยังมีความเพียรพยัยญามจนว่าสร้างที่อยู่ที่อาศัยได้เป็นอย่างนี้ ศึกษาเราเรียนธรรมวินัยทางไว้แบบนี้พูดต่อการเรียนนี่นะใครทบทวนดูให้ดีเราเรียนมาแต่อ่อนแต่ออกนูน่นพอเกิดมา พับพูดหัดจาแม่นั่นเป็นอาจารย์เบื้องต้นเลยทีเดียวสอนคำพูดคำจาให้อันนั้นน้ำอันนั้นข้าวอันนั้นผ้านุ่งนี่แม่เป็นผู้ที่บอกลูกนั่นก็ศึกษาสำเนียกตาม ปะจดจำไปตามหัดพูดไปตามนั่นแหละลูกนั้นถึงได้ใหญ่ขึ้นมาและจึงได้รู้จักภาษาของคนจึงได้พูดได้หนุก็เกี่ยวกับการเรียนการฟังทั้งนั้นเลยแต่ลำพัง พ่อแม่สอนภาษาธรรมชาติให้เท่านั้นนะมันก็ยังไม่พอยังไม่ใช่วิชาที่จะนำความเจริญมาให้แก่ตนได้เต็มที่เพียงแต่ให้ได้พูดจะปาศัยกันไปพอรู้เรื่องกันไปเท่านั้นเองฮเหตุดตังนั้นเนะี่ย เขาจึงได้สร้างโรงเรียนขึ้นมาสอนเด็กที่เกิดมาใหม่ในทีหลังให้รู้ภาษาของชาติยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อรู้ภาษาไทยเขียนได้อ่านออกด้วยดีแล้วอย่างนี้มันก็ส่งผลให้มาเรียนรู้ธทม มาวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปอีกนี่แต่ผูใ้ใดถ้าไม่ได้เรียนภาษาไทยมาแต่ก่อนแล้วก็ไม่มีทางที่จะเรียนรู้จำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เพราะสมัยนี้มันไม่ได้สอนกันด้วยปากเปล่าแล้วมีแต่อุปชาอาจารย์มอบตำหรับตำราให้แล้วก็เอาไป ดูไปท่องไปจำกันอย่างนี้นะนั่นแะมันถึงได้รู้ทำรู้วิ น, นัยสืบต่อกันมาให้พากันเข้าใจคนเราจะถึงซึ่งความสุขความเจริญขึ้นไปยิ่งยิ่งขึ้นไปได้ก็เพราะอาศัยการศึกษาเราเรียนนี่แหละเป็นเบื้องต้นเลยทีเดียว ท่านจึงเรียกว่าเสขาบุคคลแปลว่าบุคคลผู้ที่ต้องยังศึกษาอยู่แต่ในคํานี้นั้นท่านหมายเอาพระอริยบุคคลสามจำพวกคือพระโสดาบันพระจกิทาคามีพระอนาคามีสามจำพวกนี้เรียกว่าพระเสขาบุคคล แปล ว, ว่าบุคคลที่จะต้องศึกษาค้นคว้าหาความจริงในชีวิตนี้อยู่ยังไม่รู้แจ้งในชีวิตนี้ตามเป็นจริงส่วนพระอระหันต์นั้นท่านเรียกว่าพระอาเสพะแปล ว, ว่าท่านจบจากการศึกษา เ, าเรียนหมดแล้วเพราะว่ากิจที่ควรทำท่านก็ทำเสร็จแล้ว ได้แก่การละกิเลสอุปาทานต่างๆนี่ท่านละหมดสิ้นไปแล้วดังนั้นพระอาหารหันต์ท่านจึงเรียกว่าจบ ก, กิจหรือจบอยู่จบพรหมจรรย์แล้วกิจที่จะทำให้ยิ่งไปกว่านี้ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นจึงเป็นอันได้ความว่าการที่เราเรียนความรู้ต่างๆหมดนี่นะทั้งทางโลกก็ดีทางธรรมก็ดี ก็เพื่อที่จะเพื่องตนออกจากกิเลสความชั่วร้ายต่างๆมูนี้เองเนี่ย mm hmm. อย่างผู้ที่มีความวิจชาความรู้ในทางโลกอย่างนี้มันก็เพื่องตนออกจากความยากจนคนแค่นก็ทามาหาเรี่ยงสีบก็คล่องทัวดีเพราะเหตุว่ามีความรู้ความฉลาด mm hmm. อันนี้ียกเรีย ก, กว่าความรู้ใน ทางโลกมันก็เปลืองทุกไปได้อีกขั้นหนึ่งคนไม่มีความรู้ในทางโลกอะไรอย่างนี้มันก็เป็นอยู่ด้วยความยากลำบากต้องไปรับจ้างเขากินวันวันไปพอได้เงินค่าอาหารการกินไปวันวันเท่านั้นเองจะได้สะสมเงินทองนั้นไว้เป็นก้อนเป็นหน่วยฝากธนาคารไว้ มากมายนั้นไม่มีทางนะเพราะตนไม่มีความรู้อะไรที่จะไปทํางานอันละเอียดปรณีตขึ้นไปแล้วจะได้เงินค่าจ้างสูงขึ้นไปเช่นนี้มันก็ไม่มีความรู้อย่างนั้นไม่มีมีแต่ความรู้ขุดดินพันไม้อะไรเท่านี้นี่แบกแบกหามห้ำไอเท่านี้ค่าแรงงานมันก็ต่ํา อย่าง น, นั้นนะ่ะคนมันมีความรู้วชี่ให้เห็นที่นี่พูดถึงความรู้ในทางโลกนะ่ะมันก็เพียงว่าเบื้องทุกออกจากชีวิตนี้ชั่วชีวิตนี้เท่านั้นเองเลี่ยให้ให้จากความเป็นคนยากจนให้เป็นคนมั่งมีแล้วแต่ความรู้ในทางโลกนะั่นน่ะ ที่จะมากำจัดกิเลสตัณหาอันเป็นบอ่อเกิดแห่งทุกข์ในจิตใจของคนเราเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยมันจึงได้มีศาสนาบางเกิดขึ้นนั่นแหละจึงได้มีผู้ตั้งพระศาสนาคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้อริยสัจเจตธรรมทั้งสี่ ชอบด้วยพระองค์เองไม่มีใครเป็นครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนเลยพระองค์ค้นคว้าหาดทางตรัสรูมรรคผลธรรมวิเศษเหล่านี้ด้วยพระบา ร, รมีธรรมของพระองค์ไอเช่นนี้แล้วพระองค์จึงได้นำเอาความรู้ที่พระองค์ได้รู้แจ้งสัพเพเยยธรรมทั้งหลายมีกุศลอกุศลเป็นต้น เหล่านั้นมาแสดงแนะ น, นำสั่งสอนให้ผู้สนใจได้สะดับตรับฟังแล้วทรงแสดงแยกแยะออกให้ดูว่าอากุศลคือความชั่วความไม่ดีต่างๆมนีนะ่ควรละควรเว้นอย่างนี้นะกุศล น, นี่คือคุณงามความดีควรกระทําบำเพ็ญให้เกิดให้มี ในตอนอย่างนี้อะไรเป็นรากเก้าของอกุศลนักธรรมตรีทั้งเพิ่งก็สอนกันเรียนกันมาอยู่แล้วเพราะนั้นอย่าไปลืมต้องทบทวนดูความโลภความโกรธความหลงนั่นเป็นรากเข้าแห่งอกุศลบาปกรรมความชั่วทั้งหลา ย, ยานี่ความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลง นั่นเป็นรากเก้าของกุสอนมูลเป็นมูลเหตุที่ให้คนเราได้กระทาความดีด้วยกายวาจาใจนี่อย่างนี้เมื่อเรารู้จักมูลเหตุของบาปว่าได้แก่ความโลภโกรธหลงนี้แล้วก็พยายามละความโลภโกรธหลงอ น, นั้นออกให้มันน้อยบาวางหรือหมดไปสิ้นไปจยากกิดใจให้ได้ ละความโลภด้วยการบริจาคทานละความโกรธด้วยการรักษาศีลหรือเจริญเมตตากรุณาให้มากๆเข้าไปละความหลงด้วยการเจริญธรรมถาวิปัฒนาให้รู้แจ้งเห็นจริงขึ้นในใจในธาตุสี่ขันห้าตามเป็นจริงแล้วก็จะได้หายหลงหายเมา แต่ก่อนนั้นสำคัญว่าขันหน้าเป็นตัวเป็นตเ น, ต เ, ปนตเป็นเราเป็นเขาถือมั่นด้วยความรักด้วยความใคล้ด้วยความพออกพอใจไว้ในวันนี้ก็ใช้ขันหน้านี้ทำบาปทาดีบ้างทำชั่วบ้างกําดีกําชั่วก็เลยนำดวงกิดนี่ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่สวยสุขบ้างเสวยทุกบ้างปนไปกันไปอย่างนั้น ถ้าบุคคลใดยังไปถือขันธ์ห้านี่ว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่ตราบไดก็จะต้องเที่ยวเกิดเที่ยวตาย ไ, ได้รับทุกข์ทรมานไปในสงสารอย่างนี้ไม่รู้จักจบเลยนี่แหละนี่เรียกว่าทำอันเป็นฝ่ายอากุศลเราศึกษาให้รู้ว่ารากเง้าของอกุศลมันเป็นได้แก่ความโลภโกรธหลงอันนี้เราก็เพียรพยายาม ละมันออกไปอย่างนั้นแนะด้วยการปฏิบัติธรรมอย่างที่ว่ า, าเพียรละความโลภด้วยการที่บำเพ็ญตนเป็นผู้มักน้อยสันโดษยินดีด้วยของที่มีอยู่ตนหามาได้เท่าไรบุญวาสนาส่งเสียตนได้เท่าไรก็ยินดีบริโภคใส่สอยเพเท่านั้นแม่คนอื่นจะมีมากกว่า ตนพาะเขามีบุญมากเราก็ไม่น้นยเนื้อตำใจก็ น, นึกถอนตนเข้าไปว่าเนื่องมาแต่ชาติก่อนตนมัวมอประมาทไม่ได้ทำความดีให้มากมาชาตินี้ตนทำความดีแต่น้อยในถนหลังความดีอันนั้นมันก็มาอำหนวยผลให้มีความสุขตามน้อยเราจะไปโทษคนอื่นไม่ได้เลยต้องโทษตัวเองว่ามัวมาประหมาด ไม่ก็ททำความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปผู้ใดรู้ตัวได้อย่างนี้พยายามสอนใจขขงทนเข้าไปเรื่อยๆไปอย่างนี้นั่นก็ทำให้ความโลภโกรธหลงนั่นบรรเทาวบาบางลงไปด้วยการปฏิบัตินี่เองเนี่ย อ, อันนี้เมื่อเราถือสันตุธีตามมีตามได้แล้วความโลภ ก, ก็ครอบงมจิตใจไม่ได้ แม่เห็นคนอื่นเขามั่มงมีกลัวตนล่ำรวยก ว, กว่าตนก็ไม่เดือดร้อนไม่วิตกวิจารอะไรเลยนั่นเรียกว่าเราเป็นผู้ถือสันโดษแล้วมันถึงไม่เดือดร้อนมียังไงก็บริโภคอย่างนั้น เ, ออเมื่อเรามีเจริญเมตตากรุณาอยู่เสมอสมอให้จนเกิดความรู้สึกว่ามนุษย์ก็ดีสัตว์ดีไรฉานที่เกิด ร่วมโลกกันอยู่นี่ฮนะจะเป็นคนดีก็าตามเป็นสัตว์ที่ดุร้ายเลวตามอะไรก็าตามแล้วก็ไม่โกรธไม่เกลียดไม่ตั้งเกียดตั้งแกลไม่ดูถูกดูหมิน่นก็นึกถึงกรรมของสัตว์มาแล้วต่างคนต่างทํากรรมดีกรรมชั่วมากรรมดีกรรมชั่วมันก็แต่งให้คนเราเป็นไปตามอาํานาจแห่งกรรมที่เขากระทานั้น เมื่อนึกได้อย่างนี้แล้วมันก็วางอุเบกขาลงได้ความโกรธมันก็น้อยเบาบางลงนี่แหละเมื่อบุคคลบรรเทาความโกรธได้แล้วมันก็มีศีลถ้าบรรเทาความโกรธไม่ได้ลุ้มหน้าแก่ความโกรธศีลก็ขาดไม่ทุบไม่ตีผู้อื่นด้วยกายก็ได้ไม่กล่าวว่าจ่าเสียบแทงคนอื่นให้จิบอกเก็บใจ กล่าวคำหยาบลนต่างๆพูดโกหกพกลมอ่านคนที่มีความโกรธแล้วมันไม่ละอายต่อบาปต่อก ร, รมไม่ละอายต่อชุมนุมชนอะไรเลยพูดคำหยาบคำลนโดยหน้าตาเฉยอ่าไม่มีความสะดุ้งละอายแก่ใจแต่ยังได้นี่แหละโทษแห่งความโกรธ ดังนั้นให้พากันพี่นาะให้มันเห็นแล้วพยายามเจริญเมตตาความโกรธนั่นมันก็จะเบาบางไปเรื่อยๆแหละแต่ความโกรธนั่นมันจะหมดไปได้เพราะอาศัยปัญญาอย่าง น, นี้มันจะถอนรากออกไปได้ต้องอาศัยปัญญาอีกขั้นสุดท้ายขั้นแรกนี่เราระงับความโกรธด้วย เมตตาทมกรุณาทมด้วยการด้วยการสมทานมั่นในศีลไม่ยอมล่วงละเมิดศีลแม้ชีวิต จ, จะแตกดับทําลายไปเพราะรักษาศีลก็ยอมแล้วแต่มั่นในชาติเกิดมาชาตินี้จะขอเอาศีลเป็นที่พึ่งทางจิตใจและเมื่อบุคคลมีศีลเป็นที่พึ่งอยู่ในใจแล้ววันนี้ แม้ว่าร่างกายนี้จะอยู่ไปได้ไม่นานตายลงไปอย่างนี้มันก็มีสุขสติเป็นที่ไปและที่เดือดร้อนอะไรแล้วมันยังมีความสุขมากกว่าเกิดอยู่ในโลกอันนี้ซึ่งเป็นคนทุสินคนไม่มีสินลุกอำนาจเกทโทโซโมโหฐานทะเละบอแว้งกับเพื่อนบ้านอยู่บ่อยๆอย่างนี้นะจะมีความสุขอะไรอยู่นั่น ไม่ได้สร้างบาปสร้างกรรมใส่ตัวเองอายุยืนไปเท่าไรก็ยิ่งสะสมบาปกรรมใส่ตนเองให้มากไปเท่านั้นอย่างนี้แหละแม้จะอายุยืนร้อยปีก็ไม่มีความหมายอะไรบุคคลผู้ตกเป็นทาสของกิเลสตังกลามานั้นเมื่อบุคคลมาไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาอยู่เงี้ มองเห็นธาตุสีขันธ์ห้าเป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาอยู่เสมอเสมอมันก็ตื่นตัวอยู่เรื่อยไปแหละมันก็ไม่หลงไม่เมาในลาบในยศในสรรเสริญเยินยอใครสรรเสริญว่าตนสวยตนงามอย่างนี่ก็ไม่ลืมไม่หลงไม่เพิดเพลินไปตามคำสรรเสริญของคนเราพิจนารณาเห็นอยู่แล้วว่า มันสวยงามตั้งแต่การประดับตกแต่งเท่านั้นร่างกายอันนี้ถ้าหยุดตกแต่งเสแล้วหามีอะไรสวยงามไม่ไออย่างนี้ก็พอรู้ได้แล้วดังนั้นใครจะมาสรรเสริญเยินยอว่าสวยงามผู้นั้นก็คงไม่เห็นด้วยเลยในใจแต่ว่าไม่เถียงก็ย่อมค้านอยู่ในใจเลยว่าไม่ไม่สวยรูปร่างอันนี้จะสวยงามมาแต่ไหน แต่เต็มไปด้วยอาหารหล่อเลี้ยงร่างกายก็มีแต่อาหารอันส ก, กปรกถ้าอาหารอนันทิ้งไว้นานไปสักหน่อยก็บูดก้อนเน่าส่งกลิ่นเหม็นเลยอย่างงี้นะแล้วทีนี้รับประทานเข้าไว้ในกระเพาะเอแล้วบางคนภัธาตุไม่แรงย่อยอาหารไม่ดีอาหารก็บูดเน่าเกิดท้องอืดท้องเฟอ้อขึ้นมา เลอเปรี้ยวออกมากลิ่นท่งกลิ่นเหม็นออกมาอันบูนี้นะแล้วมันจะมีอะไรลนะ่ะเป็นของสะอาดเพราะร่างกายนี้เป็นอยู่ด้วยของสุกประปุกแท้ๆแต่ทว่าพี่นายเข้าไปมันถึงความจริงอย่างนี้แล้วมันก็ไม่หลงไม่เมาแล้ ว, วันนี้นะอ่ไม่สําคัญว่าร่างกายนี้เป็นของสวยของงามร่างกายนี้เป็นของแตกของดับแท้ๆมันรู้แจ้งแล้วมันก็ไม่ได้ หลงสำคัญว่าเป็นตัวเป็นตเนตเป็นเราเป็นเขาอะไรเลยอืมอย่างนี้แหละดังนั้นนะให้พากันเพ่งพิจารณาดูความจริงเหล่านี้มันมีอยู่ชัดๆเลยนะไม่ใช่ปิดบังอะไรนี่แต่ว่าบุคคลผู้ประมาทแล้วมันทั้งไม่ใส่ใจเท่านั้นเองดอกอ่ถ้าหากว่าไปใส่ใจ มันพิจารณาร่างกายนี่บปไหวเดี๋ยวความรักสวยรัางงามมันก็จะหายไปรสชาติแห่งความรักความใคร่มันก็จะหายไปนั่นบุคคลผู้อะไรผู้ยึดมั่นในความรักความใคร่จ้างมันก็ไม่ได้พิจารณาอตุภะกรรมฐานเลยอย่างนั้นจึงได้หลงได้เมาหาเครื่องประดับประดามาประดับตกแต่งร่างกายนี่ อย่างสวยหลูหลาที่เขาให้สมยาสมญาอาสมญานามว่าไอ้เจ้าตู้ทองตู้ทองเคลื่อนที่นั่นแหละอย่างนี้ไม่นานเดียวก็โจรขโมยมันได้โอกาสมันก็นกจี้ก็ปล้นลอกคราบเอาไปเสียก็ลงทุกลงเดือดร้อนใจนั่นแหละคนหลงคนเมาคนไม่ภาวนา คนมองไม่เห็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาในร่างกายสังขารแล้วมีแต่เดินทางไปหาทุกไปสู่ทุกข์ทั้งนั้นเลยในปัจจุบันนี่พอดีคนหลงคนเมาเช่นนั้นน่ะไม่ได้ทำบุญํำทานอะไรกับเพื่อนแหละเมาอวัดตั้งแต่ความมั่งมีความสวยงามอวดแต่เครื่องประดับตกแต่งเข้า ตกแต่งร่างกายสวยหรูแล้วไปเดี๋ยวไปหน่วยนาเข้าไปสังคมนั่นสังคมนี่ายอย่างนั้นเนี่ยอันซึ่งจะบ่ายหน้าเข้าสู่วัดวาอารามจะมาสดับฝังคําสอนของพระเจ้าหรือว่ า, ร า, ากราบไหว้สักการะบูชาพระพุทธธรรมะสงฆ์เพื่อฝึกกายวาจาใจขอตนให้อ่อนให้โยนไม่ให้กระด้างกระเดื่อง เช่นนี้ไม่มีแล้วผู้เช่นนั้นนะไม่มีเลยผู้ใดภาวนาเห็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาในสภาพของร่างกายตามเป็นจริงแล้วนั่นดอกผู้นั้นจึงได้เข้าวัดเข้าวา่าจึงได้ยอมตนลงสละความเห่อเหิมสละความสวยความงามความตกแต่งร่างกายตามนิยมสมมติของโลกนั่นเสีย แล้วพอพึตงปฏิบัติธรรมเป็นผู้สำรวมในศีลใ้บริสุทธ์ด้วยดีเช่นนี้ท่านเรียกว่าคนงามในพุทธศาสนานี่นะแม่รูปร่างจะขี้ร้ายแต่นักปราชญ์บัณฑิตท่านก็สรรเสริญว่าเป็นคนสวยคนงามงามเพราะศีลงามเพราะธรรมงามเพราะจิตใจเป็นกุศลใจดี เป็นคนไม่คีโดโกรธไม่ชอบอิจฉาลิสิยาผู้อื่นชอบมีเมตตาอารีเอื้อเพื่อเพื่อแพ้่แกผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากลำบากขัดข้องพอช่วยได้ก็ช่วยไปผู้เช่นนี้นักปราชญ์ท่านว่าเป็นคนสวยงามแล้วก็เป็นคนที่มีผู้ นับถือยกย่องเคารพสักการะบูชามากายกตัวอย่างองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะองค์เพียบพร้อมด้วยบุญญาบรารมีด้วยพระคุณอันสูงสุดมนุษย์เทวดาทั้งหลายจึงได้พากันย้อมกราบไหว้สักการะบูชาแม่พระสงสาวกของพระองค์ที่ท่านทรงศิลทรงธรรม ทำละกิเลสให้น้อยเบาบางหรือหมดไปสิ้นไปจากกิตใจพุทธศาสนากี่นทั้งหลายเห็นแล้วก็มีความเคารพยำเกรงเลื่อมใสนั่งลงยกมือไหวแม่เดินไปตามถนนหนทางก็ดีไม่ไม่เดินผ่านไปโดยอาการกระด้างกระเดิงนี่สำหรับผู้ที่ รู้จักว่าท่านผู้ใดเป็นผู้ทรงศิลทรงธรรมเป็นผู้ประเสริฐอย่างนี้แล้วก็สแสดงความเค า, ารพคารวะอย่างถึงอกถึงใจไปเลยอันนั้นก็เป็นบุญเป็นกุศลของผู้นั้นแล้วไม่ใช่ว่ายกมือไหว้หรือนอบน้อมเป่าๆโดยไม่มีผลอะไรตอบแทนก็มีเป็นบุญกุศลสิ ธรรมราท่านกล่าวไว้ว่าเกิดไปชาติได้ก็ถ้ายังเกิดอีกก็ไปเกิดในตระกูลสงฆตระกูลมั่งมีสีสุขตระกูลที่มียศถาบรรดาศักดิ์เช่นเป็นพระราชามาหากษัตรเป็นเสนาอามาตย์อะไรอย่างนี้นะนี่แหละอนิสงฆ์อนิสง์สงแห่งคนผู้เคารพนมน้อมต่อ ผู้ที่ท่านมีความเจริญด้วยคุณธรรมกลัวตนตนยกย่องตอนเคารพตนไม่พรอ ม, มาดไม่ดูเมน น, นก็ตนก็ได้รับส่วนบุญจากท่านผู้ทรงคุณอันประเสริฐเช่นนั้นในท้ายคำให้พรท่านจึงว่าอภิวาทนาซีลิตานิจังอุทาปจายิโน จตารโรธรรมมาวันติอายุวันโนทุขังพลังพระพรสีประการคืออายุวันนะสุขะพะรย่อมเจริญเป็นนิดแก่บุคคลผู้มีปกติเคารพกราบไหวสักระบูชาท่านผู้มีคุณวุธอันเจริญกัวตนดังนี้ อันนี้แหละแสดงว่าท่านผู้มีอายุมั่นข้นยืนมีวันนะผิวพรรณผ่องใสมีความสุขกายสบายใจปราศจากโกครคภัยไข้เจ็บท่านเป็นผู้มีพละคือกำลังกายกำลังใจกำลังสติปัญญากำลังทรัพย์มูนี ท่านว่ามันเกิดจากการเคารพรอบน้อมต่อผู้มีคุณสมบัติอันสูงส่งดังกล่าวมานั้นนับตั้งแต่เคารพมารดาบิดาครูบาอาจารย์เจ้านายผู้มีพระคุณทั้งหลายสูงสุดก็ได้แก่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ทั้งหลายอันนี้ผู้ใดยินดีเคารพกราบไหวบูชา มันก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามไปให้ไปได้เกิดในตระกูลสูงแล้วเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาพรับปฏิพาัานธนสารสมบัติดังกล่าวมานั้นแล้วสามารถที่จะได้บรรลุธรรมสมบัติคือมรรคผลธรรมวิเศษสุดท้ายได้เลยถ้าผูใ้ใดไม่ลดละทิฐิมานะของตนลง ท่านทำตนเป็นคนแข็งกระด้างกระเรืองอยู่เช่นนั้นนะให้ผู้นั้นถึงแม้จะทำความดีอย่างไรไปในโลกนี้ก็ยังห่างไกลต่อมาผลนิพพานอยู่ว่าอย่างได้ก็ได้แต่ความสุขในโลกีแต่ความสุขนั้นมันก็เชื้ออยู่ด้วยทุกข์อย่างนี้แหละเช่นบางคนน่ะ เกิดมาผลบุญพลทานอันนั้นอำนวยให้ร่ำรวยมั่งมีเงินทองเข้าของมาแล้วมีคนนำหน้าถือตามมากเข้าไปกดยิ่งเบ่งยิ่งอวดดีอวดดีไม่ยำเกรงใครอยากว่าอยากด่าใครก็ด่าไปเช่นนี้เนะี่ะถือว่าตนนั้นเป็นผู้มีฐานะดีไม่กลัวใคร ผู้เช่นนั้นมักจะอายุสั้นผู้ที่มันใจดำอมมาหิตไปโดนผู้ใจดำอมมาหิตเข้ามันก็หาหนทางทำลายล้างผ่านชีวิตให้ม้วยมอนไปเสียอย่างนี้มีอยู่ทม้ไปนี่แหละคนบุคคลทำกุศลคุณงามความดีไม่เพียบพร้อมนะเอ้าทำบุญได้ทานทำอยู่แต่ว่า ยกตัวขึ้นเป็นผู้วิเศษวิสูกว่าคนอื่นกระด้างกระเดื่องไม่ยอมน้อมหัวหาใครอย่างนี้นะนนในกรรมนั้นมันก็โดนบันดาลให้ถึงซึ่งความวิบัติบหายลงไปมีอยู่เยอะแยะในโลกอันนี้นะฉะนั้นหากันศึกษาให้รู้ให้เข้าใจในพระพรทั้งสี่ประการเหล่านี้ บุคคลจะได้ด้วยอาศัยการเคารพนบน้อมต่อท่านผู้ทรงคุณวุฒิอันสูงทรงดังกล่าวมานั้นตลอดถึงว่าผู้ปฏิบัติธรรมจเจริญสมถะอิวัฒนาที่มันจะก้าวหน้าไปได้ก็เพราะเป็นผู้ไม่ถือเนื้อถือตัวไม่กระด้างกาเดืองอนั่งภาวนาแล้วปล่อยวางขันหานิลง ไม่ถือว่าเป็นเราเป็นของของเราให้พิจารณาเห็นว่าเป็นแต่เพียงธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประชุมกันอยู่มีจิตมาครองอาศัยแล้วเกิดเป็นนามธรรมาขึ้นอันจึงรวมเรียกว่าขันห้าเท่านั้นเองหรอกมันยันว่าขันห้าแต่เพ่งดูด้วยความจริงแท้แล้วไม่มีตัวตนอะไรอยู่ในนี่เลย ภาวนาเห็นแจ้งนะนี่มันก็ลดละทิฏฐิมานะอะไรลงได้นั่นแหละหนทางที่จะได้บรรลุพัชณธรรมวิเศษในพระพุทธศาสนาดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้